หุ่มเจริญออกเยี่ยมเยียบนบรรดาญาติที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตา ก, กันมาถึงสี่ปีบ้านแรกที่เข้าไปคือบ้านลุงศินลูกชายคนโตของยายครูสอนให้มะพร้าวกับมังคุดมาอย่างละสองชลอมทำให้เขามีของติดไม้ติดมือมาฝากญาติพี่น้องลุงครับปู่หอยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลุงเคยเห็นมันอีกไหมครับ เขาถามถึงหอยโขงยักษ์ซึ่งเขาเรียกว่าปูหอยเองพูดอะไรนะนายสินไม่เข้าใจวัยเจทําทำให้เข้าหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ผิดกับมารดาซึ่งแม้วัยใกล้90หากความจำยังดีก็หอยโขงยักษ์ที่มันเอาอปากเดินได้ตั้งสามกิโลนะครับลุงเคยเห็นมันอีกหรือเปล่า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 ผมจะยึดอาชีพทางเล่นและสอนดนตรีไทยครับชายหนุ่มบอกกล่าวเดอาชีพอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริงขอเองอย่าไปหล่ะและเล้วไหลซะก่อนก็แล้วกันนายสิงเตือนไว้ก่อนผมรับรองครับผมอยากรวยแล้วก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคนุณปลูกของผมขืนหล่ะและเล้วไหล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 หมายให้คลังแต่กลับถูกผู้เป็นลุงแย้งว่าเพ็ดแล้วที่เองยกมาต่องแปลว่าตนและเป็นที่พึ่งของตอนส่วนบุคคลล่วงทุกไ ด, ด้โดยความเพียร น, นั้นภาษาบาลีท่านว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติตังหักละ่ะหนุ่มเจริญรู้สึกอับอายขายหน้าด้วยว่าเรื่องที่ต้องการให้คลัง กลับมาทำให้เขินเสียทองสักสองช่างก็ยังดีกว่าเสียหน้าขึ้นอยู่ต่อไปคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือบอกลาผมเห็นจะต้องกลับแล้วครับจะไปเยี่ยมป้าเลี่ยมแก้หน่อยเขาบอกผู้เป็นลุงส่วนป้าเหลียนขี้เมานั้นเขาไม่คิดจะไปเยี่ยมใช่ว่าจะรังเกียจคนขี้เล่าเมายาแต่ที่ไม่ไป เพราะกลัวแกจะล่วงรู้ความลับที่เขายักยอกทองของแกมาตั้ง3 2บาทเอาใส่ไถ่แขวนไว้ที่หัวเสาผีบ้านผีเรือนก็ช่วยรักษาอย่างดีเขากลับมายังอยู่ครบทั้งสายสะพายและสร้อยข้อมือจะกลับแล้วหรือยังคุยกันได้ไม่เท่าไรเลยในศสินว่าวันหลังค่อยคุยต่อเถอะครับ จากบ้านปะเลี่ยมผมต้องไปบ้านพี่จำเรียงอีกความจริงเขาจะคุยต่อก็ได้โดวยว่าไม่รีบร้อนอะไรแต่เมื่อได้เผลอปล่อยไก่ออกมาเสียแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่สู้หน้าดีไม่ดีลุงศินอาจจะดูถูกเอาได้ว่าอุตสาไปร่ำเรียนถึงบางกอกยังฉลาดสู้คนบ้านนอกไม่ได้ ทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าโทนก็วิ่งเข้าใส่จำได้ไม่ลืมว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เคยคว้างหัวมันจนเจ็บปวดรูดร้าวไปหลายาราตรีวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็หาลืมไม่เฮ้ยไอ้โทนจำข้าไม่ได้หรือข้าทิตแกละหลานปะเลี่ยมไงล่ะชายหนุ่มร้องบอกพลางถอยกรูดเมื่อได้จังหวะจึงก้มลงคว้าก้อนกรวดมาถือไว้ เจ้าโทน ร, รู้สึกเสียวที่หัวจึงไม่กล้าจู่โจมแต่แต่ส่งเสียงเห่ากันโชคอยู่ห่างๆลองเข้ามาสิคาดจะคว้างให้หัวแตกเป็นสิ่งๆเลยเถอะเขาขู่เจ้าโทนนึกกลัวจึงหยุดเห่าหากยังมองอย่างอาฆาตเอ็งมันแก่แล้วนะไอ้โทนดูสิหูตาก็ฝ่าฟังยังจะมาทำเก่งถ้าไม่เกรงใจป้าเลี่ยมไม่หวังเอ็งเจ็บตัวแน่ๆ ชายหนุ่มถือโอกาสอบรมสั่งสอนเจ้าโทนนายอย่ามาพูดเลยถ้าเกรงใจจริงคงไม่คว้างหัวข้าจนปวดไปหลายวันหรอกถึงไงข้าก็ไม่ยกโทษให้เองนายอย่าเผลก็แล้วกันเจ้าโทนแอบเทงในใจเสียงสุนัขเห่าทำให้นางเลี่ยมเชิงเงิ น, น้าต่างออกมาดูครั้นเห็นหลานชายก็ดีใจตะโกนลงมาว่าไอ้หนู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 เนแต่คิดแค้นๆว่าเอาเถอะเจ้าหนุ่มข้าขอเป็นศัตรูกับเอ็งไปตลอดชาติจากนั้นก็เดินหลีกเข้าใต้ถุนเรือนไปตอนหน้าเจ้าของมันจําต้องเจียมตัวถึงจะเป็นเพียงสุนัข ก, ก็ต้องยึดมั่นในกติกาที่ว่าสุนัขย่อมไม่เนรคุณเจ้าของนางเลี่ยมรับขวัญหลานชายด้วยการทําอาหารหวานเข่าให้รับประทาน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 นางเลี่ยมกุลีกุ จ, จอลงมาดูหลานพลางด่าจเจ้าโทนเสียงขมเข้าไหมนางถามพลางก้มลงดูหน้าแข้งหลานชายกางเกงขา ย, ยาวสีเปือกมังคุดที่เขาเพิ่งซื้อมาจากบางกอกขาดเป็นรูเขาเสียดายจนน้ำตาร่วงเจ็บตัวนั้นไม่เท่าไรแต่เจ็บใจสิมากมายนะนางเลี่ยมถลกขากางเกงหลานชายขึ้นก็เห็นรอยเขี้ยวเจ้าโทน นี่ดีนะที่มันแก่แล้วไม่งั้นเนื้อเองได้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆไม่แค่ห่อเลือดอย่างนี้หรอกนางเลี่ยมพูดเหมือนเข้าข้างเจ้าโทนถึงเนื้อหลุดผมก็จะไม่โกรธเท่ากางเกงขาดหรอกป้าดูสิเป็นรูเลยนี่ผมอุตส่าห์ซื้อมาจากห้างในติ่งเกลพาหุรัตน่นเนี่ยเขาใช้มือป้ายน้ำตาเสียดายกางเกงจนต้องร้องไห้ลืมที่ลุงหมันสอนว่า ลูกผู้ชายต้องไม่ให้ใครเห็นน้ำตาเงินป้าจะใช้ค่าเกางเกงให้อย่าไปทำเอ้โทนมาเลยนะนึกว่าสงสารมันนี่แสดงว่าเอ็งต้องเคยไปทำอะไรมันไว้ไม่งั้นมันคงไม่อาฆาตถึงปานนี้ผมเคยคว้างหัวมันเมื่อสี่ปีก่อนชายหนุ่มสารภาพมันน่าจะลืมไปแล้วเขาติง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 นึกโกรธตัวเองที่ไม่น่าพลังปากออกไปอย่างนั้นสองช่างครับแต่ผมคิดป้าช่างเดียวนึกเสว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมเ้าบอกผู้เป็นป้าความจริงเขาซื้อมาในราคาหนึ่งช่างสองช่างผู้หญิงอายุห้าสิบทำท่าคล้ายจะเป็นลมแต่ผมคิดป้าช่างเดียวก็ของห้างนี่ป้าไม่ใช่ของแบกดิน เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยเห็นเครื่องเก่งอะไรตัวละสองช่างถึงช่างเดียวข้ากลัวแพงอยู่ดีเองไปซื้อมาได้ยังไงไม่เสียดายเงินหรือแล้วป้าจะให้ผมเท่าไหร่ครับเอาเถอะผมจะลดให้เอามาสิบตำลึงก็พอเขาเรีบบอกด้วยเห็นท่าจะไม่ได้เงินนางเลี่ยมเห็นหลานเข็มมาจึงเข็มตอบ เกลือมันต้องจิ้มเกลือถึงจะสมกันเอาอย่างนี้นะหลานที่เองกินข้าวปลาอาหารป่าจนอิ่มน้ำสำราญน่ะป้าคิดแค่ห้าตำลึงส่วนอีกห้าตำลึงป้าจะใช้คืนให้ยุติธรรมดีไหมหลานชัยที่ฟังก็รู้ว่าถูกลบเหลี่ยมเสียเงินเสียทองนั้นไม่ว่าแต่ศักดิ์ศรีจะเสียได้อย่างไร พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นผมไม่คิดจะเอาเงินป้าหรอกตอนผมไปป้าก็ให้ผมแล้วหลังเกงนี่ถึงมันจะค่อนข้างแพงผมก็ไม่เสียดายที่บ้านยังมีอีกหลายตัวพูดจบก็ยกมือไหว้ผู้เป็นป้าอีกครั้งและเดินกลับบ้านนางเลี่ยมมองตามหลานชายพลางสายหน้าหลานใหญ่จางนี่ มันเข็มจริงๆพบผ่าสิหากชายหนุ่มได้ยินก็คงต้องย้อนว่าลูกใหญ่จางก็เข็มไม่แพ้กันหรอกรับประทานอาหารมื้อเย็นอิ่มกันแล้วหลานชายจึงพูดขึ้นว่ายายครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเยี่ยมพี่จำเรียง วันนี้คุยกับป้าเลี่ยมเส้นนานก็เลยไปไม่ทันเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกเจ้าโทนกัดว่าที่จริงคนยุติธรรมเช่นเขาก็สรุปได้แล้วว่าเจ้าโทนไม่ผิดตัวเขาเองต่างหากที่ก่อกรรมทำเขียนกับมันก่อนนางจำเรียงคงดีใจที่เอ็งไปเยี่ยมแล้วเอ็งมีอะไรไปฝากหลานล่ะลูกพี่จำเรียงหรือครับ ใช่แล้วพี่จำเรียงเขามีลูกสาวฝาแฝดคู่นึงชื่อประทุมกับประเทืองนางสาวจำแรงว่ายิ้มอย่างมีเล็ดในสวยไหมคงจะสวยเหมือนแม่นะพี่จำเรียงเขาจมูกโดงตาคมเหมือนแขกน้องสาวยังไม่ได้ครึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดแขะพี่สาวนางสาวจำแรงค้อนประหลับประเลือกพลางว่า แต่พอถึงรุ่นลูกข้าสวยกว่าก็แล้วกันถึงพี่จำเริงจะสวยกว่าข้าแต่ข้าก็สวยกว่าประทุมกับประเทืองไม่เชื่อพรุ่งนี้เองคอยดูว่าจะจริงอย่างที่ข้าพูดหรือเปล่าในโลกนี้ยังมีคนสวยน้อยกว่าเองอีกหรือไม่น่าเป็นไปได้น้องชายว่าคนสวยน้อยกว่าข้าน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ที่สวยมากกว่านั้น หายากซะยิ่งกว่างมเข็มในหมหาสมุทรซะอีกพี่สาวยัว่วเอาละเอาละ่ะอย่ามัวมาเถียงกันว่าแต่ว่าถ้าเองรับงานดนตรีจะเอาใครมารวมวงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นหรือเปล่ายายถามขึ้นคงไม่หรอกครับยายผมคิดว่า จะหัดให้พวกพี่ๆเขาพวกเราก็พอมีพื้นกันบ้างแล้วผมต่อให้อีกนิดหน่อยก็ออกงานได้ไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาดีคิดรอบขอบอย่างนี้ดีแล้วเล่นกันในหมู่พี่ๆน้องๆถึงปัญหาเกิดก็ยังพอพูดจาตกลงกันได้ แล้วเรื่องรับสอนละ่ะเอ็งจะคิดข่าเรียนเดือนละเท่าไรตอนผมเรียนกับครูสอนเขาคิดเดือนละหนึ่งช่างแต่ก็แค่เดือนเดียวสำหรับผมคิดว่าเดือนละห้าตำลึงก็คงพอห้าตำลึงเทียวหรือยายออกตกใจดีแล้วล่ะยายคิดถูกเกินไปเขาก็จะหาว่า ของเราไม่ดีแต่ถ้าแพงกว่านี้ก็จะหาคนมาเรียนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางสาวจำแลงเห็นด้วยกับน้องชายจริงอย่างที่ว่จจำแลงเขาว่านั่นแหละครับพี่สาวผมคนนี้เขาฉลาดน้องชายทำดีตอบด้วยการเรียกพี่แทนที่จะเป็นจำแลงเฉยเฉยเออ เห็นพวกเอ็งรักใครปรองดองกันอย่างนี้ยายก็ชื่นใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับยายพูดอย่างโล่ง อ, อกแต่แค่ยังไม่อยากให้ยายตายผมก็ไม่อยากยายอย่าเพิ่งตายนะครับต้องอยู่ให้ครบหนึ่งรหนึ่งปีตามที่ให้สัญญาไว้กับผมนะครับยาย นึ่งเอ็ดไม่ใช่101รอยหนึ่งยายแยง้งครับยายต้องอยู่ให้ได้หนึ่งเอ็ดปีนะครับเอาเถอะยายจะทนอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นและจะกี่ปีก็แล้วแต่เวรกรรมทรมายายสรุปง่ายๆ วันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจริญก็ไปตลาดซื้อกระโปรงสำหรับเด็กผู้หญิงสามขวบสองชุดเพื่อเป็นของฝากหลานสาวคู่แฝดครั้นไปถึงและเห็นหน้าหลานเขาแทบจะร้องไห้ออกมารู้สึกสงสารจับใจเมื่อเห็นคู่แฝดไม่มีดั้งจมูกประทุงประเทืองมาไหว้นะเขาสิ นี่นแกละน้องชายของแม่นางจําเรียงบอกลูกสาวเด็กหญิงทั้งสองเดินเข้ามาอย่างว่าง่ายยกมือไหว้น้าชายพูดพร้อมกันว่าเอาเ อ, ออเออเขารูปตัวหลานสาวมากอดไว้น้ำตาไหลออกมาจนได้ดูหรือพ่อแม่ก็จมูกโด่งลูกกลับจมูกบี้เวนกาตามสนองพี่แล้วละแกละเอ้ย เกลียดไอแหลมด่าว่ามันสารพัดคนที่สุดคำนั้นก็มาตกที่ลูกพี่นางจำเรียงเล่าเสียงเครือแล้วนายแหลมเขาไปไหนแล้วครับมันตายไปแล้วเป็นโรคซิฟิลิส ต, ตายดูเอาเถอะตัวมันจากไปแล้วก็ยังทิ้งอนุศร์ไว้ให้พี่สะเทือนใจดีนะที่ทิดพูดเขาเป็นคนดีไม่เคยว่าให้พี่ต้องช้ำใจเลยต่อไปนี้พี่ไม่ว่าใครแล้ว นี่แหละนะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามพี่เกลียดคนจมูกบี้ก็ต้องมาได้ลูกจมูกบี้สงสารเองจังประทุมประเทิงเอ้ยประโยกหลังหล่อนพูดกับลูกสาวคู่แฝด